นี่ได้รับสู่ในช่วงของการคุยธรรมะกันเจริญพานท่านผู้ฟังทั้งหลายข้าพเจ้าพระไพ่บุญอภิปุณโณจากวัดป่าหลอไหนโสอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกับท่านผู้ฟังก็นํา เรียนมาจากรู้มาจากพระพุทธเจ้านั่นเองธรรมะที่เราได้เรียนรู้นี้เวลาเราคือพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับงูพิษในพิษงูเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ให้ดี เข้าไปถึงร่างกายก็เป็นอันตรายเข้าไปถึงร่างกายก็เป็นอันตรายทีนี้ไอ้ความรู้ความเรียนนี่แหละที่ ที่มีปลายของมันเนี่ยเหมือนกับกีบตาวแพ้แล้วก็กดมันณกดที่หัวณกดที่หัวแล้วก็จับเรียนการฟังธรรมะการอะไรต่างๆ มันจะย้อนกัดเราได้มันจะย้อนกลับเราได้ในอย่างที่มีการสับสนอยู่ พิษมันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแม้งกับเราให้เป็นอันตรายได้นั้นเราจึงต้องอ๋อ การด้วยการเรียนรู้นะเรียนเอ่อเรียนรู้ด้วยการทําฝึกที่จะเดินเนี่ยท่านผู้ฟังเค้าไม่ได้ว่าอ่านตําราๆอ่ะ มีติเรียนแคลคูลัสเรียนเอ่อ sin tan เรียนเรียน equation เรียน algebra อะไรต่างๆเนี่ยเวลาเรององ 30 องศานะกับเอ่อตัวรถเมล์นะฉันจะ ในเวลาที่ๆอ่ะเวลาๆเนี่ยมันวางตึ๊บเลยแล้วมันไม่ได้ว่าขันธ์ 5 เอ๊ะนี่มันขันธ์ไหนคุณวางกันไหนวิญญาณอยู่ตรง หรือว่าต้องทําความเร็วโมเมนตัมเท่านี้นะมีความเร็วเท่านี้เพื่อนมันนะเห็นจริงด้วยนะทําแล้วจึงรู้ใน ค่าสัตว์ดูรักซ้ําดูมันจะมีแต่โทเราจะมีว่าคน 2 คนนั่งสมาธิคลั่งๆกันคนนึงบอกโอ๊ยฉันทํา 2 คนนี้ในสมมุติ 2 คน เนี่ยคนแรกที่บอกว่าฉันทําไม่ได้เลยทํา 15 นาทียก 2 คน 15 นาทีเท่ากันแล้ว 15 นาที 100% ของ 15 นาทีเนี่ย 1 รอบหายใจหรือ 1 นาที 1 นาทีบาง 1 นาทีหรอก 1 รอบหาย เลื้อยเข้าไปเนี่ยแล้วก็หาย 1 ลมหายใจมั้ยเค้าก็ 1, 1 2 ลมหายใจนี่ฉันทําได้อยู่อ้าวแล้วทําไมบอกว่าทําไม่ได้เลยแต่ในขณะที่คนที่ 15 นาทีที่เค้านั่ง 15 นาที 100% เนี่ย ไม่มีวุ่นวายคิดไปนั่นนี่บ้างหรือเปล่ากันใช้เวลาทําโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ ไหนตรงที่ทําไม่ได้เนี่ยไม่ได้สนใจไอ้ตรงที่ตัวเองทําได้เนี่ยแล้วความดีแม้ <_ d ans> ไม่มีแล้วคุณบอกว่าคุณมากกว่ามันจะดีไปกว่าความดีไอ้ความชั่วมันจะมาดีกว่าความ มันมา 100 คนเลยมันบอกว่าโอ้ยตบยุงสิมันต้องตบนะยังไงเค้าก็ไม่ ทำได้ทําต่อทําตรงนี้มันเจริญทําตรงนี้มันมาก 15 นาทีที่เค้าทํา แม้เป็น 7 นาทีอีกเอ่อ 8 นาทีนี่ทําไม่ได้หรือตัวเองทําได้ 10 นาที 5 นาทีทําไม่ได้ 2 นาทีเท่านั้นแหละนะที่ เราดีเราได้เราถึงเราเป็นดีเราได้เราถึงเราเป็นเมื่อเราทําตรงนั้นให้เจริญเพราะ เฮ้ยเราทําได้นิดนึงเว้ยเออเราทําได้ตรงนี้เราก็ทําได้ตรงนั้นเราก็ทําได้นิดนึง อ่ามันไม่ดีนะอ่านตำรานี้ดีนะอ่านไประวังอ่านน่ะคุณต้องติดตามไปด้วยเลยนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องมีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบติดต่อเวลานะคุณปฏิบัติลืมตาก็ได้นั่งยืนเอนอนอยู่ตื่นอยู่ก็ได้ ดีขึ้นนะค่อยๆดีขึ้นเวลาเราทําไปแล้วนะจะมีที่ผิดพลาด 106 เนี่ยส่งมา 5 นาทีอีก 10 นาที แนววิจิตเข้าไปเกาะเกี่ยวอยู่ในจุดที่ไม่ดี 2 คนนี้อาจจะทํากันที่คนที่ทํา แต่คนที่กังวลใจร้อนใจเนี่ยมันจึงไปสนใจแต่เรื่องที่มันไม่ดีเอ๊ะนี่จะเป็นยังไงไม่ๆมันไปละนั้นเพราะว่าจิตคุณมันมี มันมาจากเหตุก็คือว่าตัวเองไม่มีอยอย 5 อย่างที่พระเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยเราจะกังวลใจกับเป็นพื้นฐาน เอา 5 เปลี่ยน 3 ข้อคือเอาสัมมาวาจามาใส่เนี่ยเราจะพบว่าเอ๊ะเราจะความรู้เราไปด่าคนอื่นเนี่ยนะหรือไปโต้เถียงคนอื่นนี่โอ้มันผิดวาจานะโอ้เรามีศีลเรามีศีลเรา เอาไปว่าทําทําได้ทําให้ดีขึ้นไปนะไม่ขาดไม่รู้ไม่หนักๆแล้วคุณจะปล่อยๆฝึก อย่าให้ความรู้ความ